ตามที่ได้ประมวลดูพอจะสรุปวิธีพูดถึงหรืออธิบายนิพพานได้4อย่างคือ 1. แบบปฏิเสธคือให้ความหมายอันแสดงถึงการละการกำจัดการเพิกถอนภาวะไม่ดีไม่งามไม่เกื้อกูลไม่เป็นประโยชน์ต่างๆที่มีอยู่ในวิสัยของฝ่ายวัตถะเช่นว่านิพพานคือความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะ นิพพานคือความดับแห่งพบนิพพานคือความสิ้นตัณหาที่จบสิ้นของทุกข์ดังนี้เป็นต้นหรือใช้คำเรียกอันแสดงภาวะที่ตรงข้ามกับภาวะฝ่ายวัตตะโดยตรงเช่นเป็นอสังขตะไม่ถูกปรุงแต่งอาชระไม่แก่อมตะไม่ตายเป็นต้นวิธีพูดถึงหรืออธิบายนิพพานอย่างที่สองแบบไหวพ์ หรือเรียกต่างคุณภาพคือนำเอาคำพูดบางคำที่ใช้พูดเข้าใจกันอยู่แล้วอันมีความหมายเกี่ยวกับภาวะที่สมบูรณ์หรือดีงามสูงสุดมาใช้เป็นคำเรียกนิพพานเพื่อแสดงถึงคุณลักษณะของนิพพานนั้นในบางแง่บางด้านเช่นสันตะสงบปณีตะประณนีตสุทธิความบริสุทธิเขมะความกเกษม เป็นต้นวิธีพูดถึงหรืออธิบายนิพพานอย่างที่สแบบอุปมาถ้อยคำอุปมามักใช้บรรยายภาวะและลักษณะของผู้บรรลุนิพพานมากกว่าจะใช้บรรยายภาวะของนิพพานโดยตรงเช่นเปรียบพระอรหันต์เหมือนโคนำฝูงที่ว่ายตัดกระแสน้ำข้ามถึงฝั่งแล้วเหมือนคนข้ามมาหาสมุทร หรือห่วงน้ําใหญ่ที่มีอันตรายมากถึงฝ้าขึ้นยืนบนฝั่งแล้วจะว่าไปเกิดที่ไหนหรือจะว่าไม่เกิดเป็นต้นก็ไม่ถูกทั้งสิ้นเหมือนไฟดับไปเมื่อสิ้นเชือ้ออย่างไรก็ตามคําเปรียบเทียบภาวะของนิพานโดยตรงก็มีอยู่บ้างเช่นว่านิพานเป็นเหมือนภูมิภาคอันราบเรียบน่ารื่นรมเหมือนฝั่งโน้น ที่เกษมไม่มีภัยและเหมือนพจนสารแจ้งข่าวความตามที่เป็นจริงเป็นต้นที่ใช้เป็นคำเรียกเชิงเปรียบเทียบอยู่ในตัวก็หลายคำเช่นอโรคขยะความไม่มีโรคสุขภาพสมบูรณ์ทีปะเกาะที่พ้นภัยเลนะถ้ำที่กบาบังภัยเป็นต้นในสมัยคัมภีรุ่นต่อๆมาที่เป็นสาวกภาสิก ถึงกับเรียกเปรียบเทียบนิพานเป็นเมืองไปก็มีดังคําว่าอุดมบุรีและนิพานนครซึ่งได้กลายมาเป็นคําเทศนาวโวหารและวรรณคดีโวหารในภาษาไทยว่าอมตะมหานครนรพานบ้างเมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระนิพานบ้างแต่คําหลังนี้ไม่จัดเข้าในบรรดาถ้อยคําที่ยอมรับว่าใช้แสดงภาวะของนิพานได้ วิธีพูดถึงหรืออธิบาย น, านิพานอย่างที่สแบบบรรยายภาวะโดยตรงแบบนี้มีน้อยแห่งแต่เป็นที่สนใจของนักศึกษานักค้นคว้ามากโดยเฉพาะพูดถือพุทธธรรมอย่างเป็นปรัชญาและมีการตีความกันไปต่างๆทำให้เกิดข้อตกเถียงกันได้มากจะได้คัดมาให้ดูต่อไปทั้งสแบบนี้ถ้าเป็นคาเรียกหรือคาแสดงคุณลักษณะ บางทีท่านก็ใช้เสริมกันมาด้วยกันในข้อความเดียวกันหรือมาเป็นกลุ่มในที่นี้จะเอามาแสดง ร, มรวมๆกันไว้เท่าที่เห็นสมควรพอให้ผู้ศึกษาเห็นแนวและขอให้แยกแบบเอาเองและขอแสดงตามลำดับอักษรบาลีดังนี้อากันหะอาสุกะไม่ดำไม่ขาวไม่จำกัดชั้นวันนะไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป อากตะไม่มีใครสร้างอากินจนะไม่มีอะไรค้างใจไร้กังวลอากุโตภัยไม่มีภัยแต่ที่ไหนอัจุตะไม่เคลื่อนไม่ต้องจากไปอัจจริยะอัศจรรย์อชระและอัจชระไม่แก่ไม่คร่ำคร่าอชาตะไม่เกิดอนัตตะ ไม่โอนเอ็นไปไม่มีตันหาอันนันไม่มีที่สุดอ น, นาธานไม่มีการถือมั่นอ น, นาประไม่มีอื่นอีกประเสริฐดีที่สุดอ น, นาลายไม่มีอาไยไม่มีความติดอ น, นาสวะไม่มีอาสวะอ น, นิทัศนะไม่เห็นด้วยตาอ น, นีติกะ ไม่มีสิ่งเป็นอันตรายอนุตระไม่มีอะไรยิ่งกว่าหรือยอดเยี่ยมอปโลกิตะหรืออปโลกินะไม่ผุพังไม่เสื่อมสลายอภยะไม่มีภัยอมตะไม่ตายอโมสธรรมไม่เสื่อมคลายไม่กลับกลายอัภูตะไม่เคยมีไม่เคยเป็น น่าอัศจรรย์อพยาทิไม่มีโรคเบียดเบียนอัพยาปาจัชชะไม่มีความเบียดเบียนไรทุกอภูตะไม่กลายไปอสังกิริตะไม่เศร้าหมองอสังกุปปะไม่หวั่นไหวไม่โยกคลอนอสังขตะไม่ถูกปรุงแต่งอสังหิระไม่คลอนแคลนอโศกะไม่มีความโศก อารคขยะไม่มีโรคสุขภาพสมบูรณ์อิสริยะอิสรภาพความเป็นใหญ่ในตัวเขมะเกษหรือปลอดภัยตันหักขยะภาวะสิ้นตันหาตานะเครื่องต้านทาน ท, านที่คุ้มกันที่ปะเกาะหรือที่พึ่งทุกขกขยะภาวะสิ้นทุกทุตตะ เห็นได้ยากทุะยั่งยืนนิปุณะและเอียดอ่อนนิปปปัณจะไม่มีกิเลสเครื่องเนื่องช้าไม่มีปปัณจะนิพพานความดับกิเลสและกองทุกนิพุติความดับเข็นเย็นใจนิโรธความดับทุกบรมมัสัจจะความจริงอย่างยิ่งสัจจะสูงสุดปณีตะ ประนีประมัทประโยชน์สูงสุดประมะสุขบรมสุขสุขอย่างยิ่งปารายะนะที่ไปข้างหน้าที่หมายปัดสัทธิความสงบระงับสงบเยือกเย็นป่าระฝั่งที่หมายอันปลอดภัยมุติความพ้นตุดรอดโมขะความพ้นไปได้โยคัคเขมะ ทำอันกเกษมจากโยคะปลอดเครื่องผูกรัดเลนะที่เรนที่กำบังภัยวิมุตติความหลุดพ้นเป็นอิสระวิโมกความหลุดพ้นวีรชะไม่มีทุลีวิราคะความจางคลายหายติดวิสุทธิความบริสุทธิ์หมดจดสัจจะความจริงสันตะสงบระงับ สันติความสงบสารณะที่พึ่งที่ระลึกสีวะแสนเกษมสำราญสุทธิความบริสุทธิ์สะอาดสุดทุทธศะเห็นได้ยากยิ่งนักในคำพีชั้นอัฏถาธิบายและคำพีที่เป็นสาวกภาสิตเช่นนิเทศปฏิสัมพิธามักเถรค า, าถาเถ ร, รีคาถาอาปทาน ตลอดมาจนถึงคำมพี์รุ่นหลังๆเช่นอภิธานัตปฏีปิกายังกล่าวถึงหรือจัดคำเข้ามาแสดงความหมายของนิพพานอีกเป็นอันมากเช่นอัคระไม่รู้จักสิ้นไม่พินาศอัคคลิตะไม่พลังพลาดอจละไม่หวั่นไหวอนารมณนะไม่ต้องอาศัยสิ่งยึด่วงอนุปปาทะความไม่เกิดอปาวคะ ปราศจากสังขารพ้นสิ้นเชิงอมรณะไม่ตายอารูปะไร้รูปไม่มีสวดทรงสันฐานอาสปัปปะไม่มีค่าศึกอสัมภาทะไม่คับแคบไม่ข้องขัดเกวละไม่กลัวละคนสมบูรณ์ในตัวคำสันสกฤตเป็นไกลวันเกวละเป็นคำแสดงจุดหมายสูงสุดที่ใช้ในาศาสนาเชนหรือไชนะ ของนิครส่วนทั้งฝ่ายพุทธศาสนาในชั้นบาลียังไม่พบใช้คำนี้หมายถึงนิพานโดยตรงเป็นแต่เรียกผู้บรรลุนิพานว่าเกวลีบ้างเกผลีบ้างมีหลายแห่งคำที่แสดงความหมายของนิพานคำต่อไปคือนิจจะเที่ยงแน่นอนนิรุปปาตะไม่มีความเดือดร้อนปฏิปัสสธิความสงบรำงับเยือกเย็น ปัะที่พึ่งหรือจุดหมายประภาวะตรงข้ามภาวะยอดยิ่งปริโยสารจุดสุดท้ายหรือจุดหมายปะหานะการละกิเลสบูปะสมะความเข้าไปสงบวิวัตรหรือวิวัตตะภาวะพลวัตตะปราศจากวัตตะบรรดาคำทั้งหมดนี้บางคำถือได้ว่ามีความสำคัญมาก เพราะใช้เป็นคำแทนหรือคำแสดงอัตถะของนิพพานอยู่เสมอเช่นอสังขตะนิโรธวิมุตวิราคะสันตะหรือสันติเป็นต้นแต่อีกหลายคำมีที่ใช้น้อยเหลือเกินบางคำมีที่ใช้แห่งเดียวบางคำใช้บ้างสองสำแหงจึงไม่ควรถือเป็นสำคัญนักนำมาลงไว้เพียงเพื่อประกอบความรู้เพราะอาจช่วยเป็นแนวความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างแม้คำแปลที่ให้ไว ก็พอให้จับความหมายได้บ้างเท่านั้นไม่อาจให้อัตรรศลึกซึ้งสมบูรณ์เพราะขาดข้อความแวดล้อมที่จะช่วยเสริมความเข้าใจข้อที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือหลายศัพท์เป็นคำพูดที่คุ้นหูคุ้นปากของคนเฉพาะยุคสมัยและถิ่นฐานหรือชุมชนนั้นๆเกี่ยวด้วยสิ่งที่เขานิยมหรือลัทธิาศาสนาที่เขาเชื่อถือซึ่งเมื่อกล่าวขึ้นมาชนพวกนั้นย่อมทราบซึ้งเป็นอย่างดี บางทีพระพุทธเจ้าทรงนำเอาคำนั้นๆมาใช้เรียกนิพพานเพียงเพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงความคิดกับคนเหล่านั้นแล้วจึงนำเอาความหมายใหม่ตามแนวพุทธธรรมใส่เข้าไปแทนคำเช่นนี้คนที่นอกยุคสมัยนอกถิ่นฐานชุมชนนั้นย่อมไม่อาจซึมทราบในความหมายเดิมได้โดยสมบูรณ์คำแปลตามรูปสั์อย่างที่ให้ไว้ข้างบนนั้น คงจะช่วยความเข้าใจได้เพียงเล็กน้อย